อาจารย์ครับกับราชการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมผมได้บอกท่านผู้ชมว่าวันนี้จะอาจจะขอลดรายการเวลาลงเพราะว่าได้ทราบว่าอาจารย์เสียงไม่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้สักครู่นี้ขออนุญาตอาจารย์แล้วว่าอาจารย์บอกว่าขอจัดเต็มเวลาใช่ไหมครับอาจารย์ครับไนอกจะไม่มีคําถามแล้วไม่มีคนจะฟังหรือกเลิกกันก็นได้ ถ้ามีคนฟังอยู่ถามอยู่ก็ตาเวลาเดิมบ้าแล้วกันครับผมไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นปัญหาอย่างไรพระอาจารย์ไม่เจ็บคอไม่อะไรใช่ไหมครับผมไม่ไม่ไม่เป็นอะไรครับพระอาจารย์ครับกลับมบพระคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็จะเรียนพระอาจารย์ว่าพี่บอยก็ไม่สบายนะครับพระอาจารย์วันนี้ทราบข่าวเหมือนกันวันนี้พบตอนเย็นเมื่อกี้เมื่อตอนเย็นได้พบเขาแล้วครับพระอาจารย์ครับก็เลยผมก็เลยให้พี่บอยพักก่อนนะคะพระอาจารย์ อตอนแรกก็จะไม่ยอมเหมือนกันครับแต่ว่าให้ไปพักแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะไม่ได้มีคนจดสถิติครับพระอาจารย์ครับอืมครับผมครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้ก็วันนี้เมื่อเช้าพระอาจารย์ได้ไปบินธบามีคนไปใส่เยอะไหมครับอาจารย์ครับประมาณสามร้อยสามสิบคนสามร้สามสิบคนครับผมถาม้านก็อีกสองร้อยกว่ามันเคยใช่ไหมครับที่ชายฝากใส่ประมาณสองร้อยครับผม พระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องรักษาใจไม่ให้เครียดครับเพราะว่าปัญหาเยอะเหลือเกินครับคนก็บ่นมาเครียดกันเยอะครับผมเองก็ไปประสบ ป, ปัญหาเยอะเหมือนกันก็เลยรู้สึกอยากจะฟังพระอาจารย์ครับผมกับขอบความใม้ตาพระอาจารย์ครับความเครียดก็คือความทุกข์ใจนี่ความทุกข์ใจที่พระเจ้าจสรงตัดสั้นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากัญหาความอยากของเราเอง อยากได้ในสิ่งที่มันไม่แน่นอนอยากให้สิ่งที่ไม่แน่นอนมันแน่นอนมันก็เลยทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนเช่นชีวิตของเรานี่มีอะไรที่แน่นอนบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆโลกธรามนี่มันมีเจริญมีเสื่อมมันไม่แน่นอนแต่เราอยากให้มันแน่นอนอยากอยาะให้มันเจริญอย่างเดียวพอมันไม่เจริญหรือพอมันเสื่อมมันก็เลยทาให้เราทุกข์กัน หรือมันยังไม่ทันเสื่อมมันเพีงแตแ่แสดงอาการขึ้นมาหน่อยเราก็เราก็ทุกข์กันละปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติการชีวิตของเรานี่แขวนอยู่บนกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเส ร, เส ร, เสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาชนิดต่างๆบุคคลต่างๆ ร้วนไปนอันนี้จังไม่ไ ม, ไม่เที่ยงไม่แน่นอไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปไม่ช้าก็เร็วต้องมีการทักทายจากกันเป็นธรรมดาแต่ใจเรามันไม่ยอมรับความจริงอันนี้มันอยากจะให้เรามีแต่ความสุขความเจริญในลาบยศเสรเสรในรูปเสียงกินลดนอยู่เรื่อย เราก็อยากจะครอบครองทุกอย่างให้เป็นของเราไปนานๆแม่ไม่อให้จากเราไปอันนี้เป็นความหลงของเราเองที่มาสร้างความความอยากพออยากแล้วมันก็เลยทําให้เครียดขึ้นมาเวลาที่มันไม่เป็นไปตามความอยากของเราดงั้นถ้าเราต้องการระ ง, งับความเครียดช่วยต้องยอมรับความจริงว่าโลกที่เราอยู่กันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปในที่สุดเราม า, าตัวเปล่าๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆมีใครเอาอะไรไปได้บนะ้างอ่ะมีใครเอายศตำแหน่งไปต่างๆได้นะั้มพอนายกคนคนเก่าตายไปนายกคนใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่พอสอวชุดนี้ตายไปเดี๋ยวก็มีสวชุดใหม่มาแทนที่ไม่มีใคร อ, อะไรไปได้หรอก ก็เลยไม่ยอมมองกันไม่ยอมเห็นกันคิดว่าจะอยู่ไปตลอดอยู่ค้าฟ้า่็าเลยคิดว่าจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการถ้าไม่มีแล้วมันทุกข์เพอะเราอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราอาศัยลาภยศสระเสนอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้ความสุขกับเราเป็นเหมือนอากาศหายใจของใจคือาลาภยศสาะเสนสุขเนี่ย ร่างกายขาดอากาศหายใจไม่ได้ดะนั้ น, นจิตใจของผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมนี้ก็ยังต้องอาศัยลาบยศสารเสริญสุขเป็นเครื่องหายใจเป็นเป็นลมหายใจอยู่ไมนขาดไม่ได้ต้องลาบยสศสารเสิญสุกนี้ต้องมาอยู่เรื่อยๆต้องเจริญอยู่เรื่อยๆพอมันมีปัญหามันมันอาจจะไม่เจริญหรืออาจจะไม่ยั่งยืนไม่อยู่กับเราความเครียดต่างๆก็ปร า, ปากฏขึ้นมา หรือเวลามันสูญเสียไปจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเข้าใจหลังนี้ว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์สิ่งต่างๆที่เราอยากให้มันยั่งยืนถาวรนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปเพิ่งสิ่งเหล่านี้แต่เราจะทาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีสิ่งอย่างอื่นมาแทนที่เราสิ่งที่จะมาแทนที่ ราบยศเสริญสุขก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบนี่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบเราก็จะได้รับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของราบยศเสริญสุขถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพึ่งความสุขจากราบยศเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง เมื่อเราไม่เพิ่งเราใจเราก็ไม่ต้องไปอยากไปไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเพราะเราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีมันหรือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายถ้าไม่ได้อยู่ด้วยลาบนุสเสริญ ส, สุขท่านอยู่ด้วยความสงบใจของท่านสงบด้วยการปฏิบัติทำทำใช้ให้สงบคำจาดเหตที่ทําให้ใจไม่สงบ ก, ก็คือความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ พอไม่มีเหตุที่จะทำให้ใจวุ่นวายใจทุกข์แล้วใจก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขนี่แหละคือวิธีที่เราจะแก้วความเครียดอย่างยั่งยืนอย่างถาวรเราก็ต้องปฏิบัติทำที่เรียกว่าภาวนาสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติ เป็นความสงบแบบชั่วคราวในขณะที่ใจสงบอยู่ในสมาธิความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเกี่ยวข้องกับราบยศเสริญสุขใจก็จะเร่มวุ่นวายขึ้นมาใ ห, หม่อีกถ้าอยากจะให้ใจไม่วุ่นวายก็ต้องพิจารณาลาบยศเสริญสุขว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์พ่อไ ม, ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พ่อเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มาปล่อยให้มันไปยินดีตามมีตามเกิดไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอใจก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือระดับปัญญาระดับมิปัสชนาเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้คือราบยศรเสริญสุขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ไปตลอด เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นของของเราเป็นสมบัติทัดกันชมครับ <c oughs> <c oughs> ่นต้องความที่จะเสียนีย่สองสามปีก็ครบเาลาแล้วเดี๋ยวก็มกันก็หมดเราที่ <c oughs> นั่งกันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวก็ต้องยกให้คนหนึ่งเข้ามามาแข่งขันกันอีกแล้วนับ <c oughs> นอย่าไปเครียดก <c oughs> ับอะไรอย่าไปยึดติดจับอะไร มงให้มันเห็นว่าเป็นของไม่แน่นอนไม่เช่อเป็นของชื่วคราวครับผมไม่แต่ร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวคนบางคนก็เครียดกับร่างกายสุขภาพอยากให้ร่างกายแข็งแรงไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดเราให้ดูแลรักษาอย่างดีอย่างไรขนาดไหนก็ตามมันก็หนีไม่พ้นกรอบของมันคือแก่เจ็บตายอยู่ดีเพียงแต่ว่า จะจะจะจะจะนานหรือไม่นานจะอยู่ได้นานหรือไม่นานแล้วก็อยู่ที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะอันนี้อาจจะทําได้ครับผมพระอาจารย์ครับแล้วบางทีมันวุ่นก็มามีความทําให้เราเครียดบางทีสติมันตามไม่ทันอย่างเงี้ยครับเรจะต้องทํำยังไงครับราหนึน่งสติกับเสพทัวไปเลยส่วนมนต์ไปเลยให้เราเนีสติแล้วขานแล้วเนี่ยเราต้องเล่มดึงสติรีบชาร์จแบบ ถ้าเราก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธบริกรรมไปแล้วสวนมนต์ไปครับไม่ถ้าเราใช้ปัญญาไปยังก็ใช้ปัญญาอย่างอันนี้จังทุกขั้งอนัตตาไปหรือตายตายไปก็ได้บางทีขอคิดถึงความตายความเกลียดหายไปหมดเลยก็ได้ใช่ครับจะไปเครียดอย่างไรเนะีที่สุก็อะไรไปไม่ได้ไม่ได้ชิ้นเดียวกลับพระคุณกับพระอาจารย์ครับ คิดเรื่องตายนี้รู้สึกเบาที่สุดแล้วครับรอาจารย์ใช่คไับง่ายๆสำหรับคนบางคนเพอคิดถึงความตายยิ่งเครียดใหญ่เพราะ <c oughs> กลัวตายอันนี้ก็ต้องรู้จักว่าเหมาะกัาเราหรือไม่ไมถ้าเราเป็นแบบเจริตที่แปลว่ารู้ความจริงยอมรับความจริงได้ความตายมันก็เป็นยาที่จะระงับความเครียดได้แต่คนนี้ที่ยังกลัวตายอยู่ยังไม่อยากตายอยู่นี่ไปคิดถึงความตายไม่ได้ยิย่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่เลย กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผมเดี๋ยวจะลองถามะอาจารย์หอไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่ที่เดิมเลย น, นะใช่ครับพระอาจารย์ครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศอีกแล้วครับ ดีเลยครับอย่างนี้จะเรียนพระอาจารย์อยู่พอดีครับอาทิตย์หน้าเนี่ยครับพระอาจารย์วันอาทิตย์ผมก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอีกรอบแล้วครับจะเรียนพระอาจารย์ว่าจะขอจัดเป็นวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับได้ไม่มีไม่มีปัญหาได้ครับอีกครั้งอาทิตย์หน้าอีกครั้งครับเป็นวันเสาร์ครับคุณญาติโยมที่เคยเคยติดตามวัอาทิตย์เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับก็ก็ต้งเรียนเรียนญาติโยมว่าเอ่อตอนนี้เราจัดตัววันอาทิตย์เป็นปกติแต่จะมีวันเสาร์ครั้งนี้กับวันเสาร์ครับ แต่ตอนนี้ก็ดูกันอยู่พันร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ครับะอาจารย์ครับพันอได้เลยครับผมยในยูเกอรยังยงเพอรสมควรครับแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีคนถามครับอาจารย์บางคนยังไม่เข้ามามีบายังไม่ได้บอกมันยังไม่ได้บอกพวกทิกตักให้ครับสองามด้วยครับผมใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ คำถามจากคุณนิชนะครับพระอาจารย์ครับตอนฝึกนั่งสมาธิแล้วพอนั่งนานๆมีอาการตัวเบาเหมือนเคลิ้มหลับนึกพุทโธไม่ได้เลยรู้สึกสงสัยเรานั่งสมาธิยังไม่แข็งแรงขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับฉันแสดงว่าสติตอนนะั้นเราอ่อนแนละ้วสตจิจะหมดนะมันก็เลยเหมือนกับคนที่จะใกล้หลับแนละ้ว้วเดี๋ยวก็หลับพุ่งลงไปถ้าไม่ใช่เป็นการเข้าสมาธิเป็นการเข้าผวางหนละั ถ้าเป็นการเข้าพวังสมาธินี่มันจะตื่นตัวมันจะรู้สึกตัวตอนที่เราคุยกันขนานี้เพียงแต่เห็นว่าจิตของเราที่มันไม่นิ่งมันเกิดเนิ่งขึ้นมามันเกิดเย็นขึ้นมาสบายขึ้นมาอันนี้มันจะเห็นชัดเจนถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเหมือนคนหลับไปต้องฝึกสติให้มากขึ้นหรือในขณะนั้นทอล์นว่าเราจะเคลมแลรีบบริกา ร, รพุทโธใหม่ ถ้าพุโทโธไม่ยอมไม่อยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนเพื่อจะผลกให้ใจเต่นขึ้นมาให้มีสติเพิ่มมากขึ้นได้ออย่างหนึ่งหลังจากที่เราเลิกนังน่งแล้วเราก็ควรจะมาฝึกสติให้มากาช่วงระหว่างวันไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จเจริญสติจะใช้กรรมวิกรรมพุทโธไปควบคู่กับการทําอะไรต่างๆก็ได้ไม่ใช้การเท้าดูมือการการทำอะไรต่า ง, ๆ, าขาาางๆของรางการนี้ เป็นการเจริญสติก็ได้เวลานั่งสมาธิแล้วท่องพุทโธติดติดกันแล้วจิตไม่สงบครับแต่พอทำช้าๆก็สงบแต่แป๊บเดียวครับอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์ก็ทำวิธีที่มันสงบไงวันนี้ผมขออน้ยคำถามช้าๆให้พระอาจารย์ได้พักหน่อยนะครับ เขาไม่เป็นไรเาได้ตาสมสบายเรื่องการนั่งสมาธิครับพอนั่งไปนานๆจะเกิดเวทนาคือปวดเข่ามากๆให้นั่งต่อไปเท่าที่ทนไหวใช่ไหมครับและให้พิจารณาจิตกับร่างกายไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหมครับแต่หากทนไม่ไหวให้หยุดก่อนใช่ไหมครับใช่ทำทำได้นั่งต่อไปและวิธีที่นั่งสําหรับผู้เริ่มต้นนี้ยังไม่ควรไปพิจารณาแยก ใจกับกายออกจากกันเพราะเรายังไม่มีความสามารถพอให้ใช้อุบายของสติง่ายกว่าเพียงแต่บริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายพอเราไม่คิดถึงความเจ็บของร่างกายความอยากให้ความเจ็บของร่างกายก็จะไม่เกิด ค, คือความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดพอความทุกข์ไม่เกิดเราก็สามารถนั่งกับความเจ็บของ ของร่างกายต่อไปได้อย่างสบายแต่ถ้าเรามวัวไปคิดถึงความเจ็บมันก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปความทุกข์ใจมันก็จะเกิดขึ้นมาความเครียดก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้ไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้และน้เบื้องต้นถ้าเรายังไม่เคยเข้าสมาธิเลยยังไม่มีฐานของสมาธิใช้การเจริญสติเพื่อเร่ง ใ, ใจให้เข้าสู่ฐานของความสงบดีกว่าการใช้ปัญญา เพราะการใช้ปัญญานี้มันยากกว่าแล้วถ้ามันไม่มีฐานที่จะเข้าไปมันปัญญามันก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าที่ไหนอารมณ์โกรธโมโหครับเกิดขึ้นมาทันทีระ ง, งับอย่างไรให้ทันครับก็ใช้สตินี่แหละพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรารู้ว่าเราโกรธปั๊บนี่แล้วก็พุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าเราทําได้ก็แยกตัวเราออกจากเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธในขณะนั้นขอตัวไปเข้าห้องน้าเรืออะรก็ไปไปสงบสติในห้องน้าไปพุโทโธพุโทโธเพราะถ้าเราอยู่ใกล้คู่กรณีมันยิ่งทําให้เราความโกอดยิ่งลุกขึ้นง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยดังนั้นถ้าเราสามารถปลี่ตัวออกจากเหตุการณ์นั้นได้ก็ปลี่ตัวไปถ้าไม่ได้ก็พยายามใช้สติทำพุโทโธไปภายในใจ อยากไปสนใจกับเรื่องที่ทําให้เราโกรธอยากนั่งสมาธิครับแต่ปวดหลังต้องทําอย่างไรครับแล้วเราเวลานั่งทําอย่างอื่นนั่งได้ไม่ใช่เลยนั่งกินข้าวได้นั่งดูหนังฟังเพลงได้แต่พอนั่งสมาธิปวดหลังก็ถ้าเรานั่งทําอะไรอย่างอื่นได้ก็มันชื่อไม่น่านจะมีปัญหากับการนั่งสมาธิ ถ้านั่งแบบนั่งนั่งกับพื้นไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งแบบนั่งกับเก้าอี้แบบนี้ก็ได้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็ได้ถ้าเราปวดหลังแล้วก็นั่งพิงหลังก็ได้พเพียงแต่ว่าการนั่งในท่าสบายมันจะทําให้เราหลับง่ายภาวนาอย่างอันนี้เขาถามว่าภาวนาอย่างไรจะให้พยาบาลได้เลื่อนไปเป็นซีแปดได้ครับพ่อจัน <N un> น่าจะอยากก้าวหน้าในงานนะครับอาจารย์ครับคือก้า<ส>วหน้าในงานก็ต้องขยันทํางานให้มีผลงานออกมาหรือทําอะไรก็ได้ให้คนที่เขาจะเลื่อนตําแหน่งให้เราเขาชอบเราพอใจเราตายไปแล้วมีวิญ ญ, ญาณไหมครับพระอาจารย์ก็ใจเราเนี่ยแหลที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นเป็นผู้จะไปเป็นวิญ ญ, ญาณต่อไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่มีไม่มีวันตายพี่งต่ขณะที่อยู่ร่างกายเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้พอร่างกายไม่มีแล้วใจก็ยังอยู่ต่อเราก็เรียกใจนี้ว่าเป็นวิญญาณแล้วใจก็อาศัยบุญหรือ บ, บาปที่ทาไว้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปทรมานกับการปวดกระดูก เราสามารถแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อขอขอมาและขอให้อโหสิกรรมได้ไหมครับแล้วไม่ทํากันหรอเรื่องอ ค, ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีสองวิธีอุบายของสมาธิหรืออุบายของปัญญาทั้นเองเรื่องการแผ่เมตตานี้มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่มาทําให้การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเนี่นหายไปได้หรอกมันไม่เกี่ยวกัน โยมจะบาปไหมครับพระท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ในใจโยมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะท่านยังมีความไม่พอใจยังสนใจข่าวทางโลกอยู่ครับบาปนะไม่บาปหอกถ้าเราจะไม่เชื่อเพียงแต่ว่ามันมีมันมีผลต่อเราคือสมมติว่าถ้าท่านท่านเป็นพระอรหันต์จริงแล้วเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากท่าน เพราะเราจะไม่เชื่อคําสอนของท่านแต่ถ้าเราเชื่อถึงแม้ว่าถึงแม้ท่านอาจจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นพระอรหนเรายัางเชื่อฟังคําสั่งคําสอนอยู่เราก็อาจจะได้รับประโยชน์จากคําสอนของท่านก็ได้คือมันจะทำให้เรามีศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธานในตัวท่านถ้าเราเสื่อมศรัทธาเราก็จะไม่ศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนรู้จากท่านต่อไปแต่ไม่บาป อาจะไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาจากท่านแต่ถ้าเรายังคิดว่านะอาจจะเป็นไปได้เพื่อเชื่อไปก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้อันนี้เราก็ยังอาจจะได้ประโยชน์แต่ถ้าท่านท่านยังเป็นพระอรหันหอยู่นะแต่ถ้าท่านไม่เป็นพระอรหันต์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เาจะได้รับความหลงตามท่านก็ได้ สงสัยเรื่องพระโมคคัลลานะครับท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่หนิกรรมไม่พ้นจึงต้องถูกทุกจนเสียชีวิตอยากทราบว่าถ้าเราจะไปนิพพานในชาตินี้เราต้องใช้กรรมเก่าให้หมดในชาตินี้ด้วยหรือเปล่าครับเอไม่แน่นอนกรรมนี้มันแล้วแต่ว่ามันจะมาทันเอกหรือไม่ <c oughs> กรรมบางตัว <c oughs> มันก็เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกต่างาวาระกันเนี่ยต้นไม้มันจะตจะงเจริญเติบโตไม่พร้อมกันแล้วมันจะออกดอกผลไม่พร้อมกัน ถ้าแต่ต้นไหนมันเราปลูกไว้ก่อนแล้วมันมีความเจริญเติบโตได้เร็วมันก็อาจจะเอาดอกออกผลได้ก่อนเพราะฉะนั้นการเป็นภาผอาหารนี้ก็ท <c oughs> ่านถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถรับผลของกรรมที่ที่ท่านทําไว้ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าใจาของท่านจะไม่เดือดร้อนกับการรับผลของกรรมเพราะเพียงแต่ร่างกายเป็นผู้รับผลได้เลย ซึ่งท่นก็ได้ฝึกปฏิบัติซ้อมมาจนดีอยู่แล้วว่าท่านพร้อมที่จะให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมไม่ที่ร่างกายตายไปไม่ว่าจะกรรมขนาดไหนจะมาก็ทำร้ายได้แค่แต่ร่างกายของท่านนั่นเองแต่ใจของท่านนี้่ไม่สามารถที่จะไปทำร้ายได้เพราะใจของท่านนี้ปล่อยวางร่างกายแล้วไม่ท่า ก, กับร่างกายแล้ว ขอว่าพระอาจารย์แนะนําการดําเนินชีวิตรักษาใจการดําเนินชีวิตของผู้หญิงโสดที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วครับก็ดําเนินตามที่พระเจ้าทรงสอนแต่เพ่งเดาให้มันไปเข้มข้นมากขึ้นคือปฏิบัติทานศีลภาวนาให้มากขึ้นทําบุญทําทานให้มากขึ้นถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเก็บเงินเก็บทองไว้เราก็ใช้เไปกับการทําบุญ แต่ถ้าเรายังจําเป็นยังต้องใช้เงินอยู่เพื่อเลี้ยงเลี้ยงชีพก็เก็บไว้แต่ยาม เ, เงินไปใช้เพื่อซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็แล้วกันตพยายามสกัดการใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษกับใจคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเล่นไปเที่ยวตาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามอย่าใช้เงินทองไปเสพไปซื้อ ท่านมีเงินทามที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราก็ เ, าเอาไปทําบุญเสียแล้วเราก็จะได้รับความสุขจากการทําบุญที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเรารักษาศีลให้เข้มข้นให้มันบ่อยสุดเพิ่มมากขึ้นศีลห้าเริ่มต้นก็อาจจะรักษาศีลห้าให้เป็ น, เ ป, นเป็นเนจจ์ศีลรักษาเป็นประจำแล้วรักษาตลอด ว, วันท่านแล้วก็ จ, จะมาเริ่มรักษาศีลแปดแล้วก็ จ, จะไปปฏิบัติที่วัดก็ได้หรือถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติทำที่บ้านก็ได้เจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสมถะาภาวนาแล้วก็เจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมารนังสือทธรรมะไปก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องเจริญอะไรหลังจากอ่านหนังสือทธรรมะแล้วเราก็มาเจริญเช่นพิจารณาไตรลักษณ์จริงทุกขังอนัตตา หรือพิจารณาสุภาอากังสามสิบสองเป็นต้นก็ปฏิบัติให้มันเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นไปจนเราสามารถที่จะใช้เวลาทั้งหมดของเหล่านี้ให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวน า, าเพียง อ, อย่างเดียวได้อพยาบาลที่ทำสี่แปดครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้สี่แปดแล้วครับแต่ได้ไปบนไว้ให้ผ่านอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ พรุ่งนี้จะไปทำบุญแก้บุญที่วัดยานด้วยครับอ๋อไม่บาปหรอกก็เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นเองมันไม่ใช่มีความจริงอย่างไรแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราเชื่อเมื่อเราบวนแล้วว่าเราจะทำอะไรอย่างนั้นเพื่อพอเราได้สิ่งที่เราได้บวญแล้วเราก็ต้องไปแก้บุญเราจะได้ไม่เสียสัตจากเราจะได้ไม่เป็นคนหลอกลวงโดยเฉพาะหลอกลวงพระพุทธรูปนี้เป็นบาปนะคือบาปที่ใจเราเนี่ยใจเรา จะกลายเป็นใจที่ไม่มีสันจะเมื่อกายวูบหายไปจะทําอย่างไรให้สติกลับมาครับไม่ให้ไหลลงสู่ผวังครับคือถ้าเป็นผวังสมาธิก็ไหลได้ถ้าเรารู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าไม่ถ้าไม่รู้สึกเตือหลับมันก็ไม่มีทางที่จะดึงสติขับผานได้นะตอนนั้นก็ต้องรอให้มันตื่นหน่อเห็นการเกิดดับ คือความคิดเกิดดับใช่ไหมครับคือทุกอย่างมันเกิดดับหมดแหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเห็นสิ่งนราที่เกิดดับก็คือราบลาบยึดสารสริญสุขพ่อนเพราะเป็นสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปเพื่งมันให้เราเห็นว่ามันไม่แน่นอนมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปไปยึดไปถือหรือไปเพื่งมันเพราะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปเพื่มมัน พึ่งลาบยศสนเสริญสุดเวลามันเสื่อมเวลามันดับเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์มากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปพึ่งมันแล้วค่อยมาพิจารณาอย่างอื่นต่อไปเราพึ่งสิ่งไหนแล้วต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรมรมดาทีานี้เราพึ่งกาแฟอย่างนี้ว่าว่าเราจะต้องกินกาแฟทุกวันเนี่ยเราก็พิจารณาวันในวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกาแฟเราดื่มก็ได้ครับ แล้วตอนนั้นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาหรือเราอาจจะเส้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินที่จะไปซื้อกาแฟมาดื่มต้องไปเจรณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเพิ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นของไม่เที่ยง ม, มีเกิดแล้วมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับมันก็อย่าไปเพิ่งมันอย่าไปดื่มกาแฟก็ได้ไม่ตายหรอกหยืดดื่มน้ําเปล่าแทนก็ได้ จิตสุดท้ายมีสี่ดวงจริงไหมครับจิตได้มีดวงเดียวมันไม่มีสี่ดวงไม่ว่าชาสุดท้ายหรือไม่สุดท้ายก็ตามมันก็มีแค่ดวงเดียวแ้วมันมีอาการสี่ภายในจิตนี่มัมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่านามธรรมามีอยู่สี่เคยได้ยินว่านิพพานไม่สูญอยากขอคาอธิบายจากพระอาจารย์ครับ เพราะว่านิพา น, นก็คือจ s <S ิตที่บ่อยสุดธ ma ิ์ปาศจากความโลภโกรธหลงกิเลสตัญหาจิตนี้ไม่มีวันสูญไม่ว่าจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสจิตพวกเรานี้ก็ไม่มีวันสูญยังมีโลภโกรธหลงอยู่มันก็ไม่ศูนย์เพียงแต่ว่าถ้าเรามีโลภโกรธหลงอยู่ในจิตเราความโลภโกรธหลงมันจะพาเราไปเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจิตเราสาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆจิตเราก็จะไม่ไปเกิดทางนั้นเอง ต่างกันแค่ตรงนี้จิตที่บริสุทธิ์กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นนิพพานไปแล้วก็จะไม่ไม่ไปเกิดอีกต่อไปแต่จิต ท, ที่ยังไม่บริสุทธิ์ยางพวกเราเป็นปุถุชนนี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีราบยังมีโลกโกรธหลงมีความอยากต่างๆอยู่เวลาร่างกายของเราตายไปจิตของเราก็จะไปเกิดใหม่ไปหาน่างกายมันมาต่อไป ทำอย่างไรให้จิตคิดติดตัวไปในชาติหน้าให้มีพุทธศาสนาในใจและไม่ให้ทำบาปครับเพื่อไม่ให้ชาติพบต่ําลงครับก็ต้องเป็นระดับพระโสดาบาันขึ้นไป<ม>เป็นพอาระยะบุคคลเพราะเมื่อเป็นพอาระยะบุคคลนี่เราจะรู้จะจะรสัจธรรมเการะยะสัตวีกับไตรลักมันจะฝังอยู่ในใจเรามันจะไปกับใจของเราทุกภพทุกชาติต่อไปแล้วนะ มันก็จะรู้ได้ว่าการทําบาปนี้มันจะเป็นการดึงใจให้ลงต่ําดึงใจให้เข้าหาความทุกขมันก็จะไม่กล้าทาบาปอีกต่อไปคุณหนุ่มน้อยครับคำถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับเอาแต่ความสุขเรียกว่าความชั่วไหมครับไม่ชั่วหรอกเป็นคือความสุขมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสุขแบบไหนด้วยนะแล้วสุขทางโลกมันก็เป็นกิเลส มันจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะความสุขทางโลกวันเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเป็นความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่เราควรที่จะแสวงหาเพราะมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะอยู่ของเราไปตลอดแต่มันไม่ใช่เป็นความเชื่อเพียงแต่เป็นความอยากข้อสองครับถ้าเราทําความดีแต่มีทุกข์แล้วเครียดครับถามว่าเป็นอย่างนี้บาปไหมครับ ไม่บาปหรอกเพราะว่าการทําความดีบางครั้งเราก็ต้องทุกข์เพราะามีสิ่งที่มันคอยขวางกั้นเราไม่ให้เราทําความดีคือกิเลสตัณหาต่างๆนี่มันจะไม่ชอบให้เราทําความดีพอเราทําความดีไปก็จะทําความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาทุกแบบนี้ไม่ไม่เป็นบาปทุกแบบนี้เป็นบุญเพราะามันจะทําให้ใจเรา <c oughs> หายทุกข์ต่อไปเมื่อเราเอาชนะกิเลสได้เช่นเวลาเราจะทําบุญต้องเกิดความทุกข์ เพราะความตเหนือยเสียดายขึ้นมาควรผู้จะลําบากยากจนเยอะเกิดทางเงินทําไปแล้วเดี๋ยวเกิดมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินไม่มีเงินขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจอันนี้ถ้าเราตัดไปว่าให้มันค่อยถึงวัานนาั้นค่อยออกมากังวลเงินตอนนี้เรามีอยู่ก็ทําไปไม่ต้องกังวลพอเราชนะความความทุกข์อันนี้ได้แนละ้วเราก็จะมีความสุขแล้ว ม, มันจะไม่มีความตหนือยมาคอยขวางกั้นในการทําบุญของเราต่อไป คุณสุทน์บอกว่าเครียดการเมืองครับอาจารย์ก็อย่าไปติดตามเถอไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ทำมาหา ก, กินเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าเลี้ยงครอบครัวเราก็ทาหน้าที่ของเราไปจิตว่างกับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับจิตว่างก็คือจิตที่สงบยัแม้ว่าจะใครก็ตาม ถ้าสามารถทำจิตให้สงบก็กจะได้จิตว่างถ้าเราฝึกสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิจิตก็จะว่ามถ้าอยู่ในช่วงถือศีลแปดแต่ไม่สบายต้องทานยาตอนเย็นและก่อนนอนถือว่าขาดศีลข้อวิการรับโภชนาไหมครับถ้าฉันยาต่อประธานยามไม่ผิดออกกินได้ยาเพราะยานี้เป็นไม่ได้เป็นอาหาร ที่ห้าไม่ให้คิดก็คืออาหารเวลาใจโล่งเบาสบายคืออะไรครับก็คือใจสงบระงับชั่วข่าวไม่ไม่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้กับตนเองใจก็เลยโล่เบาไม่ไปคิดทำให้ใจเครียดหรือฟุ้งซ่าน หนูกําลังพิจารณาอาสุภะอยู่มีบางช่วงเห็นขาตัวเองเน่าเปื่อยแต่ก็หยุดอย่างนั้นก็เลยออกมาพูดโทต่อทําอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นทีลนิดครับอย่าไปดูที่ขาเลยดูที่หน้าดีกว่าดูที่หน้าเสียวฝ้าขึ้นเหี่ยวยิอนอะไรนี้มันจะมีประโยชน์กว่าที่จะไปเห็นที่ขาเพราะที่ขามันไม่ค่อยมีน้ําหนักกับใจเราเท่าไหร่หรอกสิงที่มีน้ําหนักกับใจเราก็คือหน้าตาของเรานีกว่า เรามีเสียวฟ้าขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งดูสิดูเสียวใจจะทุกข์ไหมการท่เราพิจารณาอยู่บ่อยๆว่ามันไม่ที่ยงในะร่างกายนี่วันในวันหนึ่งหน้าตามันก็อาจจะมีเสียววิฟ้ามันอาจจะบวมหรืออาจจะผ่องขึ้นมาหรือมันอาจจะเหี่ยวขึ้นมาย่นขึ้นมาใารพิจารณาแบบนี้มันจะได้ไม่กลัวความความ ความไม่เที่ยงของหน้าตาของเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกัการคอยไปฉีดนู่นฉีนดนี่อยู่เรื่อยๆอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์เฉยเมยกับปล่อยวางต่างกันอย่างไรครับปล่อยวางก็คือไม่ไปทุกข์กับใครแต่ยังทําหน้าที่อยู่เช่นเราเลี้ยงลูกแล้วลูกประพฤติตัวไม่ดี ก็เราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาเราถือว่าเป็นถ้าเราทาหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วสอนเขาแล้วแล้วเขายังไปทำตัวไม่ดีอยู่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาเราก็เลี้ยงเขาไปต่อไปแต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาหากบริกรรมแล้วจิตสงบรู้สึกได้ว่าเกิดปิติแต่ไม่สามารถสงบได้ลึกถึงขั้นอัปปนา ปัจจัยที่จะทําให้สงบได้ลึกขึ้นควรปฏิบัติเช่นไรครับก็มีสติให้มากขึ้นกําลังตอนนี้กําลังของสติยังน้อยอยู่เพราะเราเจริญสติน้อยเวลาที่เราเจริญให้กับการเจริญสติเหมือนน้อยเราต้องพยายามเจริญให้มากขึ้นในระหว่างวันพยายามเจริญทั้งวันได้ยิ่งดีปกติเวลานั่งสมาธิจะไม่ง่วงครับ แต่เวลาตื่นกลางดึกแล้วคิดพุดโธพุดโทเดี๋ยวก็หลับเป็นเพราะเราใจสงบใช่ไหมครับจึงหลับต่อได้ครับขออภัยเดี๋ยวก็ขอภขอภยัยด้วยครับก็รู้มันตามความเป็นจริงก็แล้วกันรู้มันเป็นอย่างนี้ก็พ อ, ไ ม, อไม่ต้องไม่ต้องไปรู้สาเหตุมันเป็นพ่ออะไรหรอกครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ เจ็บคอบอกได้นะครับอารย์ันมันเป็นมันเป็นภาคๆแต่เป็นเป็นเ่อเดียวมันก็หายไปก็ดูไปเรื่อยๆครับผมนั่งสมาธิจนเลยเมื่อยไปสองเมื่อยแล้วเข้าสู่จุดที่ว่างสบายโล่งโปร่งแต่ก็พยายามจะดูเท่านั้นไม่หลงว่าสบายทำได้แบบนี้บ่อยๆแล้วผมก็ออก ต่อจากนี้ถ้าจะนั่งต่อก็เพียงแค่ดูลมหายใจไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ทำแบบเดิมทำแบบที่เราเคยทำมาเป้าหมายก็คือแล้วเราขาดให้ใจเราสบาย <c oughs> พระอาจารย์ครับฝึกการหายใจเข้าออกได้ไหมครับไม่้องฝึกอรัเพราะเราหายใจมาตั้งแต่เกิดเรารู้จักวิธีหายใจแล้ว การภาวนานี้เราไม่ต้องการมาฝึกหายใจถ้าต้องการใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจเท่านั้นเองกันเ mm hmm. ลอกเราไม่ต้องไปฝึกหายใจไม่ต้องหายใจเล็กๆหายใจยาวๆทำลองนี้ไม่จำเป็นต้องทำเวลาที่เราภาวนา <c oughs> เราเพียงแต่มีสติดูลมหายใจเข้าออกเท่า <c oughs> นั้นเองลมจะยาวจะสั้นจะลึกจะไม่ลึกไม่เป็นไรรูตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเอง ทำอย่างไรครับให้จิตของเรามีพุทโธตลอดเวลาครับก็ฝึกเนี่ยภาษาฝรั่งก็ไ practice ไม่ perfect ฝ <c oughs> ึกซ้อมอยู่เรื่อยๆนะมันก็จะมันก็จะมีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเหมือนการท่องสูตรคูณเนะี่ยถ้าเราอยากจะจำการท่องสูตรคูณเราก็เราก็ต้องหมั่นท่องอยู่เรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆต่อไปสูตรคูณมันก็จะอยู่ภายในใจของเรา กับใจและวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับการนั่งสมาธิเอาใจมาอยู่ที่รูปนั่งดูลมถ้าใจไปคิดเรื่องอดีตสัญญาหรือใจไปอยู่กับสังขารและเวทนาให้ดึงใจกลับมาดูลมใช่นั่งสมาธิแบบนี้หรือเปล่าครับเวลาตอนต้นจิตกับใจวิญญาณเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่เราเรียกมันต่างวาระท่านถ้ามันอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจ ถ้าเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณสว่วนเวลานั่งสมาธินี่ให้ดูดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปดูสัญญาไม่ต้องไปดูสังขารเมตนาให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยากไปกราบพระอาจารย์ด้วยตัวเองว่าอาจารย์ทําให้หนูหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะครับรอาจารย์ครับก็ดีใจด้วย ถ้าเกิดเวทนาจนปวดขามากๆกำหนดรู้แล้วยังไม่สามารถจะนั่งต่อไปได้สามารถเปลี่ยนอิรยาบถเป็นนั่งพับเพียบได้ไหมครับเพราะแล้วหายปวดค่อยเปลี่ยนมานั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมได้ไหมครับคือถ้าเราเปลี่ยนเราขยับให้ความเจ็บหายไปก็ถือว่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่แนละ้วเราก็ไม่ผ่านเวทนาถ้าเราอยากจะผ่านเวทนาเราก็นั่งต่อไปแล้วก็ใช้สตินี้เป็นตัว ดึงใจให้ออกจากความเจ็บปวดเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ไปสนใจกับการเจ็บปวดต่อไปใจเราก็จะเลื่ความเจ็บปวดไปได้แล้วใจเราก็จะเน่งได้แล้วเราก็จะอยู่กับการเจ็บปวดได้อย่างไม่ไม่สะทกสะทานดังนั้นถ้าเราอยากจะผ่านเวทนาเราก็ต้องใช้สติอยากขยับร่างกายแต่ถ้าเรา ทนไม่ไว้แล้วต้องขยับร่างกายก็เราก็ต้องกลับมานเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องกลับมานั่งไปจกนกว่าเราจะเจ็บความเจ็บแบบว่ารแบบคราวนี้แล้วถ้าเรายังใช้เราก็ต้องถ้ า, าไม่ใช้สติเราขยับเราก็จะเราก็จะติดอยู่ตรงจุดนี้เดินทางมาถึงที่จุดนิธิไรก็ต้องถอยยอมแพ้ไปถ้าเราต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปใช้สติสู้กัมันต่อไป เขาบอกว่ามีเขารู้สึกว่าเบื่อนายแล้วก็ปราโมทพระที่ชอบปลุกเศษของนะคะพระอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้บาปไหมครับการปราโมทใครไม่ดีเท่านั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราถ้าจะปราโมทใครปราโมทตัวเราดีที่สุดก่อนที่จะไปว่าใครนี่ถามตัวเราเองเราไม่มีอะไรที่เราจะว่าตัวเราเองได้เลยเลยอย่างนี้จะดีกว่าเพราะเราเห็นข้อบกพร่องของเราแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้น ม่วนข้บอบกพร่ อ, องของคนอื่อนนี่เราจะไปว่าเขาไปปา마เขายัางไงมันก็ไม่ได้มาทําให้เราดีขึ้นหรือแต่อย่างใดชอบฟังเพลงร้องเพลงอย่างนี้เป็นกิเลสไหมครับอาจารย์มันก็เป็นการมฉันทาความความชอบรูปเสียงกลิ่นแล้ก็เป็นกิเลสความเนี้ยมันก็จะทําให้เราติดอยู่กับการร้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าอยะมานั่งสมาธิก็นั่งร้องคาราโอเกะ <laughs> มีปัญหากับบุคคลที่เข้าใจผิดกล่าวร้ายใส่เราต่างๆนานาโดยเราไม่มีโอกาสชี้แจงและบุคคลนั้นไม่พยายามรับฟังใดๆจนทุกข์ใจและกระทบต่อกันดำเนินการต่อจากนี้เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้หายจากทุกข์เพราะเราท้อใจและเสียใจที่ทำดีต่อบุคคลนั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตลอดครับ คือถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราชี้แจงได้ก็ชี้แจงไปส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อแั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราชี้แจงไม่ได้แลวเขาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดีก็เฉยๆไปความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่ดีถ้าเราไม่ผิดมันก็ไม่ผิดอยู่ดีจะจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงมันก็ไม่ผิดอยู่ดีรฉะัเราใจเราจะไม่ทุก ที่ใจเราทุกข์เพราเราอยากจะให้เขาเชื่อเราอยากจะให้เขาอะไรอกับเราเชื่อความชี้แจของเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหวังอะไจากเขาถ้าเขาให้เราชี้แจงแเรวก็ชี้แจงไปถ้าเขาจะเชื่อก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อก็แล้วไปเท่านั้นเองอยู่ต่างประเทศจะทําบุญส่งให้ผู้ตายไปแล้วอย่างไรครับ ก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดได้วัดอย่างที่เราศรัทธาก็ได้หรือเข้ากับองค์กรการกุศลต่างๆเป็นรงพยาบาลโรงพยามูลนิธิต่างๆก็ได้ทั้งนั้นอะ่ะอันนี้เป็นการทําทานพอโอนเสร็จปั๊บก็สามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องใช้น้ําอุทิศโดยใช้ใจเรารเราเลิกถึงบุคคลที่ลงนับไปแล้วว่าเขา อ, อุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ถือว่าการอุทิศบุญของเราสําเร็จแล้ว เวลาร่างกายป่วยใจไม่ทุกโรคบางอย่างรักษาไม่หายก็อยู่ด้วยกันไปสภาวะแบบนี้คือการแยกกายแยกจิตใช่ไหมครับเราจะเรแยกกายแยกจิตก็ได้ปล่อยวางก็ได้พูเบกขาก็ได้อันเดียวกันคือเราไม่ไปทุกข์กับร่างกายแนละ้วเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจก็ยังเป็นปกติเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ไ ม, ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพรใจไม่มีวันแฉ่วันเจ็บวันตายนั่นเองนั่งสมาธิรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจแรงขึ้นก็จะอะไรครับการที่จะไปหาเหตุไม่ไมจำเป็นนะให้รู้ตามความเป็นจริงเวลานั่งสมาธิอะไรเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงแต่เราไม่ควรไปสนใจมันเราควรจะสนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไว้ ถ้าเราดูลมก็ใช้ลมกับมหาลมดีกว่าอย่าไปสนใจกับเรื่องการเต้นของหัวใจมีความตั้งใจจะรักษาศีลแปดทุกวันพระแต่ยังมีข้อสงสัยว่าถ้าถือสีนแปดแล้วนอนห้องแอร์ได้ไหมครับมันก็จะว่าได้ก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ออแล้วแต่เรามาตรฐานของเร า, าเราต้องการให้มันเข้มข้นมากน้อยเพียงใด เราเข้มค้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปอยู่แบบธรรมชาติไปคือไม่การใช้เครื่องปรับอากาศมันก็เป็นการเสริมความสุขทางกายมาสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอยากจะให้มันเข้มข้นให้เป็นเหมือนสมัยพุทธกาลที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเราก็อย่าไปเปิดเครื่องปรับอากาศ จะทํายังไงให้จิตสงบแบบว่าไม่ให้คิดถึงใครครับอาจารย์ก็เจริญสติบ่อยๆอยู่กับพุโทโธบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดถึงใครลืมไปหมดเลยจะอยู่กับพุโทโธคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเมื่อเกิดความสุขและเห็นกิเลสของความอยากได้อยากมีแต่ขณะจิตเกิดความต้องการจิตนึกถึงความตาย จิตเกิดความกลัวเราควรวางจิตหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับก็อย่าเพิ่งไปนึกถึงความตายเพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่ยอมรับความความตายอยู่เราคิดถึงความตายจิตก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมายังแก้กิเลสไม่ได้ด้วยวิธีใช้ความคิดถึงความตายเราก็คิดถึงความไม่เที่งของสิ่งที่เราอยากได้ดีกว่าไปของมันก็เป็นของชั่วคราว ให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวเดียวมันก็มันก็หมดไปไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็หมดไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปให้มองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยัย่งยืนของสิ่งที่เราอยากได้ดีกว่าสามีตายไปสองเดือนครับใส่บาทให้ทุกวันอย่างนี้เขารับได้ไหมครับแล้วแต่จิตของเขาว่ามีมีอยู่ในฐานะกอทานหรือเป็นเศรษฐีบุญ แล้วเขาเคยทําบุญไม่มากในขนาดที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็จะเป็นเศรษฐีบุญเขาก็จะไม่ต้องมารอรับบุญแต่ถ้าเขาไม่เคยทําบุญเลยไม่ทําบุญเลยเนี่ยเขาอาจจะมารอรับบุญก็ได้เพราะเขาจะเป็นขอทานใส่บาทอุทิศส่วนบุญให้กับตัวเองได้ไหมครับคือไม่ต้องอุทิศแต่มันเกิดแล้วใส่บาทมันก็ได้บุญแล้วเป็นที่อุทิศก็คือระแบ่งบุญที่เราได้จากการใส่บาทคราวนี้ให้กับ พูดล่งรับไปแล้วพอพูดลงับไปแล้วนีเขารับบุญเขารับความสุขด้วยการส่งข้าวของเงินทองไปให้เขาไม่ได้เราก็เลยต้องส่งบุญไปแทนนั่งสมาธิเมื่อมีอาการเริ่มง่วงก็เปลี่ยนมาเดินจงกรมได้ไหมครับได้ได้ได มีจิตดวงที่หนึ่งดวงหนึ่งที่เวลาเราปฏิบัติอยู่เป็นจิตที่คิดเป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่จิตที่เราเป็นอยู่มันดีดขึ้นมาเองถ้าเป็นลักษณะนี้เรามีวิธีแก้บ้างไหมครับแล้วจิตดวงนั้นจะทําให้เราเป็นมโนกรรมไหมครับขอรบกวนครับคือจิตเราเนี่ยมันคิดได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าถ้าเราต้องการจะเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการให้มันคิดไปเรื่อยๆทางนั้นเราก็ใช้ ใช้ความคิดที่ดีเช่นพุโทโธเข้ามาระกบมันได้ฉันเราก็คิดพุดโทโธพุโทโธไปแทนที่จะไปคิดเรื่องอกุศลแล้วต่อไปก็สอนใจเราว่าคิดอกุศลนี้ไม่ดีอย่าไปคิดสอนมันไปเรื่อยๆต่อไปความคิดอกุศลมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันได้การทำทานไม่ว่าจะสร้างโบสถ์หรือตักบาตรอันนี้สงก็คือการทำทานเหมือนกันใช่ไหมครับ บุญเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเสียสละของเราเคยได้ยินมาว่าการสร้างวิหารทานคือเป็นบุญที่ทําแล้วได้บุญเยอะครับคือคําว่าบุญนี้มันมีสองความหมายบุญที่เกิดความสุขใจหิมใจที่เกิดจากการให้ของเราอันนี้ทําอะไรก็ได้ความสุขใจหิมใจเหมือนกันแต่บุญอีกความหมายนี้คือประโยชน์ประโยชน์ที่เราเราทําด้วยการทําบุญของเรา สร้างวิหารมันก็มีประโยชน์ให้มีที่พักอาศัยให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้มีที่อยู่อาศัยใส่บาตรพระสง์องค์เจ้าก็ได้ได้ข้าวกินอันนี้มีประโยชน์ต่างกันใช่ไหมก็เราก็ต้องดูว่าท่านขาดอะไรอย่างสมัยหนึ่งสมัยพุทธกาลนี้พระสงฆ์ขาดผ้าผ้าไม่พอใช้พระเจ้าเลยบอกว่าอ่าถอยผ้ากระถินนะมีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากแต่บุญก็เท่าเดิมอะบุญก็เหมือนกับถ้าถ้าจํานวน ของการเสียสละมันเท่ากันไม่ว่าเราจะไปเสียสละเป็นอาหารหรือเป็นยาหรือเป็นอะไรเป็นบุติมันก็ได้ได้บุญคือความอิ่มใจสุขใจเท่ากันแต่ประโยชน์มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันตอนนั้นกระถินที่บอกให้ถอยกระถินเพราะผ้ามันไม่พอใช้เพราะไม่มีผ้าเปลี่ยนมีผืนเดียวอย่างเงี้ยพอเจอฝนมันก็ต้องก็ต้องนุ่งกับผ้าเปียกๆไป พระเจ้าเลยบอกว่ามาเอาผ้ามาถวายถวายผ้ากระถินให้กับพระจะมีอนิสงส์งมากมีประโยชน์มากแต่บุญก็เท่ากับเท่ากันเท่ากับการที่เราเอาไปใส่บาตรถ้าจำนวนเงินที่เราเสียสลับไปนี่มันเท่ากันคุณย่าขอกลาบเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อมีผัสสะต่างๆมากกระทบ แต่จิตใจไม่ขุนไม่โกรธกลับขำๆกับการกระทบนั้นๆแล้วก็เฉยๆได้นั้นกลับเรียนถามว่าคญาใช้ธรรมะแบบสมถะหรือวิปัสนาครับก็คงจะต้องมีทั้งสองอย่างมีสมถะแล้วก็มีธรรมะที่เห็นว่าทุกอย่างมันเปน็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องธาตุรู้ครับ ธาตุรู้มันก็เป็นหนึ่งในหกธาตุที่ไม่มีวันเกิดไม่ไม่มีวันดับอีก5่าธาตุก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อวกาศธาตุธาดรู้นี้มันก็มีคุณสมบัติของมันอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งมันมีความสามารถที่จะรู้ได้ธาตุอื่นนี้ไม่มีความสามารถเหมือนธาตุรู้ธาตุน้ารู้ไม่ได้ธาตุดินรู้ไม่ได้ธาตุไฟรู้ไม่ได้อวกาศธาตุดูไม่ได้ มีธาตุเดียวที่รู้ก็คือธาตุรู้นี่คือความสามารถอันที่หนึ่งของธาตุรู้คุณสมบัติอันที่สองสส foot, อก็คือสามารถมีความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สามารถมีความจบได้หมายรู้เวลาเห็นอะไรก็จะจาได้เวลาเห็นอะไรก็รู้ว่าเป็นอะไรเรียกว่าความจาได้หมายรู้สัญญาแล้วก็มีความสามารถที่จะนึกคิดได้นึกคิดจะทาอะไร คิดไปคิดไปทางกุศลด้วยที่ไปทางอกุศลทําบุญด้วยทําบาสนี้ก็เป็นความสามารถอีกอันหนึ่งแในอันสุดท้ายก็คือมีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสู่ใจได้นี่คือคุณสมบัติของธาตุรู้มีอยู่ห้าประการด้วยกันในในห้าประการนี้มี มีมีความสามารถที่รู้นี่อันเดียวที่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีเกิดไม่มีดับส่วนความสามารถทางอื่นความรู้สึกนึกคิดนี่มันเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เราเรียกว่านามขันขันสีน่นี่เวตนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นอนิจจ์มันไม่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาส่วนส่วน ตัวรู้นี่ควความสามารถที่รู้นี่มันรู้ตลอดเวลาจะตื่นจะหลับมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือนกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบางทีเรามองไม่เห็นมันเพราะเงาของโลกไปบงังเหมือนกันเงาของโคจรแ ล, ล้วโลกเราหันไปอีกด้านหนึ่งเราก็มองไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังฉายฉายแสงอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้ารู้นี่ก็รู้อยู่ตลอดเวลา นี่คือธาตุดูที่ไม่มีวันตายที่มายึดมาติดมาเกาะติดกับร่างกายนี้ที่มาเวียนว่ายใต้เกิดอยอะก็ตัวธาตุดูนี้เพราะความหลงความหลงคิดว่าถ้ามีร่างกายแล้วจะได้มีวิธีหาความสุขจากว่าบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วก็ติ ด, ลตดเลิกไม่ได้เนี่ยเพราะเราติดยาเสพติดแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้ว บ่อยครั้งที่ฝึกนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยพยายามที่จะไม่ขยับตัวเลยเหมือนที่พระอาจารย์เมตตาชี้แนะให้ฝึกแล้วยังไม่เกิดเวทนาทางร่างกายเกี่ยวกับอาการปวดขาปวดหลังรู้สึกเฉยๆแต่มีเวทนาทางใจว่าอยากจะหยุดนั่งสมาธิแล้วแบบนี้เรียกว่ากิเลสมันหลอกเราใช่ไหมครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็ อ, อยู่ที่เราว่าเราอยากจะทาข้อสอบคือเวทนาหรือไม่ อามีถ้าว่าอยากจะทำข้อสอบนี้เราก็ต้องนั่งต่อบไปอาจจะนั่งแบบไม่มไ ม, ไม่ไม่มีสติบ้างก็ได้คือที่เรานั่งแล้วมันสงบมันไม่มีอาการเจ็บก็เพราะว่าสติเรานีเราอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับอะไรมันก็เลยทําให้ใจเรานิ่งไม่เกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาก็เราลองนั่งคิดทันย<ม>านั่งแบบมีสติแล้วก็นั่งคิดแบบนั่งคิดถึงคนนั้นนั่งคิดถึงคนนี้ดู เดี๋ยวสักพากมัก็อาจจะเกิดความเจ็บขึ้นมาก็ได้แล้วทีนี้เราก็ลองใช้สติดูซิว่าเราจะสู้กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่สุขกับทุกขราคาเท่ากันเป็นเพียงเราให้ค่ามันเองแท้จริงคืออาการเปลี่ยนของจิตถูกหรือไม่ครับเหมือนทุเรียนมีทั้งคนรักและคนเกลียดครับ คือมันก็เป็นของที่แบรปรวนสุขกับทุกข์มันก็สําลับกันไปสลับกันมาอยู่ที่เราว่าเราจะรับมันได้ทั้งสองอย่างหรือเปล่าปัญหาคือเรารับได้เพียงอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องการมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาคือเราต้องคอยหนีความทุกข์แล้วคอยวิ่งหาความสุขหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นเพราะไม่ก็จะตามมาอยู่เรื่ยวิ่งไล่ความสุขเท่าไหร่มันก็ตามไม่ทันมันทัทีมันก็หนีเราไปเรื่อยๆ ในวิธีที่ยำดีที่สุดก็คืออย่าอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งไล่อยู่เฉยๆทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะได้ความสุของกแบบหนึง่งที่แบบที่จะอยู่กับเราไปตลอดดยความสุขที่เกิดจากการนิ่งเฉยพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาที่บ้านบุคคลธรรมดาได้ไหมครับอันนี้ไม่ทราบนะอันนี้เป็นแต่ได้ยินได้ฟังบา ง, บางคนก็มีพระานมาบันคนก็ พระธายุขององค์งนั้นองค์นี้มาอันนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เวลาเกิดอาการปวดพระอาจารย์สอนว่าให้ใช้หลักสมาธิและปัญญาเป็นอย่างไรหรือครับอาก็คือทำใจให้สงบเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยอย่างว่าให้ฟังไม่ใช่คุยนเนี่ยตั้งแต่เป็นมาห้าวันนี้ไม่ได้ตะยาไมมแต่ให้เดียวมครับแล้วก็ไม่ได้ไปหา หาเครื่องมาตรวจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรล้วก็ดูไปตามสภาพความเป็นจริงฮอนมันไม่ได้บอกเราว่ามันเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ฝึกทําใจเราให้อยู่กับมันคิดว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราไปอยากให้มันหายไปตอนที่มันยังไม่ดับเราก็จะทุกข์ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ทําใจเฉยๆถ้าใจเราไม่เฉยก็ต้องใช้สมาธิ ไปสตปินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะอยู่กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาคือถ้าเราไม่อยากจะหลบเข้าสมาธิเราอยากจะอยู่กับมันโดยที่ไม่นั่งเข้าสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอาการนี้มันก็เป็นโล ก, กมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปมันเป็นอนิจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไป อานาตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันมาก็ไม่ได้เมื่อทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหันอยู่กับมันไปอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจเรื่องการนั่งสมาธิครับหากนั่งไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นหรือใจดิ่งลงไปเหมือนตกจากที่สูง หากมีอาการกลัวให้กำหนดสติและนั่งต่อไปโดยกำหนดสติและตามดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมครับหากเป็นไปได้จะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้จะหมดไปหรือไม่หรือว่าจะเกิดอาการอย่างไรบ้างในการนั่งสมาธิครับเออเวลานั่งเราเกิดอาการต่างๆนี่อย่าไปสนใจให้รู้เฉยๆให้กลับมาอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้เวลานั่งเราต้องมีอะไรผูกใจไว้นะ ฉันมีลมหายใจผูกใจไว้หรือมีคำบริกรรมพุทธโทธผูกใจไว้เวลานั่งไปแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรต่างๆขึ้นมาไม่ต้องให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตามรู้แล้วก็ดึงใจให้กลับมาอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจเท่าน mm ั้นเองส่ว น, นอาการต่างๆมันจะหายไม่หายนี่มันก็แล้วแต่ oh. อาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้ไม่สาคัญถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกรรมันทที่ถูกต้อง เราไม่ไปทุกข์กับมันท่านั้นเองอยมันมาปล่อยมันไปตอนนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจะรู้สึกเคร่งเครียดจะหนักหัวเลยปรับมาดูลมเข้าออกโดยไม่มีคำบริกรรมคว่คู่ก็ดีขึ้นแต่ถ้าทำไปนานๆก็จะเริ่มติดเพ่งมาหนักหัวอีกแบบนี้ต้องปรับและแก้ไขอย่างไรครับ ดูลมกับพุโทโธก็ไม่ได้พอดูลมอย่างเดียวก็ ก, ก็มีปัญหาอีกก็ลองอย่าอย่าไปดูลมแล้วใช้พุโทโธอย่างเดียวดยยูยังมีวิธีหนึ่งหรือสวดมนต์ไปก็ได้ไม่มีโอกาสจะไปใส่บาตรพระอาจารย์ครับเพราะอยู่ต่างจังหวัด แต่โอนเงินฝากน้องซื้อของไปใส่บาตรพระอาจารย์ตลอดทำแบบนี้เหมือนตัวเราได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์ด้วยตัวเองหรือเปล่าครับเพราะจิตเราตั้งมั่นครับได้ได้บุญเท่ากันบุญที่เสียสละนะแต่บุญที่เกิดจากการเดินทางมาเพื่อมาทำบุญนี้ไม่ได้เพราะคนอื่นเขาทำแทนเราถ้าโกหก <c oughs> เพื่อทำให้คุณแม่สบายใจเป็นบาปแล้วพูดความจริงทำให้คุณแม่เป็นทุกข์และเสียใจจะบาปไหมครับ ไม่บาปถ้าก็หกก็บาปแต่ทําพูดความจริงไม่บาปแม่เป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของแม่เขาไปถ้ารู้ว่าพูดแล้วทําให้แม่ทุกข์ก็อย่าอย่าพูดเลยรก็อย่าไปพูดอะไรก็เลาะกันเปลี่ยนเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นไปถ้าจําเป็นจะต้องพูดถูกมังคขาไม่พูดก็พูดตามความเป็นจริงมก่อนจะพูดก็บอกว่าแม่พูดแล้วอาจจะทําให้แม่ทุกข์นะแม่อยากจะฟังไหมถ้าแม่อยากจะฟังก็จะพูด <Okay. S 2> ถ้าถูกบังครับไม่พูดนะแล้วถ้าถูกบังครับก็อย่าบางทีถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วทำให้แม่ทุกข์ก็อย่าไปพูดก็แล้วกัน <Okay. S 2> อย่าไม่ต้องโกหกน้องสาวป่วยโรคซึมเศร้าครับอยากเมดไอ้พระอาจารย์เมตตาสอนทางที่จะทำให้อาการป่วยดีขึ้นสามารถอยู่ทาประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ครับความเศร้ามันเกิดจากความผิดหวัง ความผิดหวังเกิดจากความอยากนั้นเราลดความอยากลงความผิดหวังก็จะน้อยลงความเศร้าก็จะน้อยลงไปนี่วิธีแก้ความเสือมเศร้าขั้นขั้นหนึ่งเีกนวิธีหนึ่งหรือหรือ ว, วิธีเสริมก็คือพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้เรามีความสุขจากการทาใจให้สงบแล้วเราจะได้ความอยากของเราจะได้ลดน้อยลงได้ความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนคนั้นคนนี้ก็จะลดน้อยลง แล้วความผิดหวังก็จะน้อยลงไปเวลานั่งสมาธิทําไมยโยมได้ยินเสียงเต้นหัวใจด้วยครับก็แล้วแต่ลมเพให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปสนใจ้อนั่งสมาธิให้ดูลมหรืออยู่กับพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปส่วนหัวใจได้ได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่อย่างใด ทำอย่างไรเมื่อต้องเสียใจจากคนที่เรารักครับก็ต้องนังรับความเสียใจด้วยการยอมรับความจริงว่าคนที่เรารักนี้มันก็เป็นของของชั่วขราวเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีการพราดล า, าจากการเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะอยู่ไปคู่กันไปได้ตลอดริงเชงนี้ว่ามันเป็นเรื่องกฎของอนิจจังกฎของตายรักอนิจจังทุกขานาตา ที่เราทุกข์เพเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ถ้าเรายอมรับว่าเข้าไปแล้วเขาไปเข้าไปยอมรับความจริงใจของเราก็จะหายทุกข์เวลากำหนดรู้ลมตามลมแต่ก็ยังแอบจิตส่งออกนอกควรทำอย่างไรครับก็ <Okay. S 2> กลับมาใหม่เพราะรู้ว่าไปก็กลับมาที่ลมใหม่เบื้องต้นมันก็จะดึงกันไปเดึงกันมาอย่างนี้พอเราเผยปับ๊บมันก็จะไป ค, คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้สติกลับมาแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมต่อมรตอนก็จะเป็นการเป็นอย่างนี้ไปก่อนขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีสติมากน้อยด้วยถ้าเรามันจเจริญสติระหว่างวันโอกาสที่มันจะเผลอมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาสวดมนต์แต่ใจยังคิดถึงเรื่องอื่นๆอยู่หรืออ่านหนังสือธรรมะสักพักใจก็คิดเรื่องอื่นๆอยู่จะทําอย่างไรให้ใจไม่คิดเรื่องอื่นครับ ก็แล้วก็พยายามกลับมาเรื่องที่เราเราเราทำอยูย่ก็กลับมาสวดมนต์หรือกลับมาอ่านหนังสือหรืออะไรอยู่ไปอย่าอย่าตามเรื่องที่เราคิดไปนั่นเองก็อย่างที่เหมือนกันอ่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดว่ามันก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้คิดไม่ดีต่อแม่เถียงแม่จะเป็นเหตุให้ตนเองอายุสั้นเป็นโรคร้ายตายไม่ดีไหมครับ ไม่ดีเดี๋ยวมันเป็นจะทําให้เราทุกข์ใจนั่นเองเพราะว่าการกระทํากับบุคคลที่เป็นภ่คุยกับเราทําไม่ดีมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาแต่ไม่ได้ทําให้อายุสัน้นหรือยาวหรอกมันเป็นโรครายอันนี้มันมันไม่เกี่ยวกันโยมปฏิบัติธรรมดูจิตดูกายตลอดทั้งวันจนจิตไม่ได้ไปใส่ใจกับรูปกายเลยจนจิตสงบดี แต่มีอยู่เรื่องเดียวที่ยังตัดอภัยกับพี่เขยที่ตายไปแล้วเนื่องจากแต่ก่อนเขาไม่ซื่อสัตย์ขโมยทรัพย์และสินค้าของโกงสีไปยี่สิบปีครับเขาตายไปแล้วอาจจะไปอาฆาตปยาบาทเขาไปถึงไหนกันเขาบอกว่ามีอยู่เรื่องเดียวเนี่ยครับที่ตัดไม่ขาดครับทำอย่างไรดีครับก็จะไม่รู้จะทํายังไงถ้า้ตัดไม่ขาดก็ต้องอยู่กับมันไปก่อน ภาวะใกล้หมดลมหายใจถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วแต่คำบริกรรมที่ติดในใจตลอดมานั้นจะผุดขึ้นมาในจิตเองได้หรือเปล่าครับเพื่อพาจิตไปสุขติครับถ้าเราไม่รู้ตัวแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะดึงอะไรขึ้นมาได้นะเรายังต้องมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วนึกถึงพุทโธแล้วเรากระบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกมา มากน้อยท้าหลายเล่ดถ้าฝึกมาน้อยอาจจะไม่สามารถทำได้ถ้าฝึกมามากก็อาจจะทำได้แต่จะไปสุคติหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่จุจดสุดจิตสุดท้ายหรอกมันอยู่ที่บุญที่บาปเราทำว่าเมื่อลมรวมกันแล้วบุญหรือบาปอันไหนามากกว่ากันถ้าบุญที่เราทำนี้มากกว่า บ, บาปที่เราทำบุญก็จะดึงมาไปสุคติถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบาปก็จะดึงราไปสู่ทุคติ มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายว่าเรามีสติมีพุโทโธหรือไม่การมีสติมีพุโทโธในในในจิตสุดท้ายมันก็ทําให้ใจเราสงบเท่านั้นเองถ้าไม่มีใจเราก็อาจจะฟุ้งก็ได้อาจจะเครียดก็ได้หากบริกรรมแล้วจิตสงบรู้สึกได้ว่าเกิดปีติครับแต่ไม่สามารถสงบได้ลึกอันนี้มันทํามัมนทําไปแล้วอีกทีนึงนะครับ สุดท้ายแล้วจิตทุกดวงในไตรภพนี้ต้องไปนิพพานทุกดวงใช่ไหมครับเพียงแต่ตอนนี้จิตพวกเรายัางหลงอยู่ครับถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปนิพพานไหนก็ไม่ได้มาครับว่าจิตทุกดวงจะต้องไปนิพพานเพราะจิตบางดวงก็ไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงไม่รู้ว่าตัวเองเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันเฉพาะเป็นจิตที่จิตที่ฉลาดเขาเรียกว่าวิยนยูชนไงพระเจ้าบอกว่าธรรมของพระเจ้านี่ มีไว้สำหรับบรรลุิยื่อชนเทานั้เขาจะเข้าใจถึงเรื่องการหลุดพ้นกับการติดอยู่ในวัฏสงสารส่วนถ้าจิตยังไม่เข้าใจเรื่องรหลุดพ้นเรื่องนิพพานเรื่องวัฏสงสารอยู่เขาก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปนิพพานได้ความทุกข์มาจากความคิดกี่เปอร์เซนต์ถ้าเราห้ามความคิดได้ความทุกข์จะลดน้อยลงไหมครับ คือความคิดอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์ตัวความคิดที่คิดไปทางความอยากนี่อที่จะทำให้ใจเราทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าก็ยังคิดอยู่แต่ท่านไม่ได้คิดด้วยความอยากใจกของท่านก็ไม่มีความทุกข์ท่านคิดด้วยความเมตตากรุณามุรีตาอุเบกขาท่านคิดด้วยปัญญาอันนี้จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทมให้ใจทุกข์ แต่ถ้าคิดด้วยกิเลสโมหะอวิชชาความหลงความอยากต่างๆไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเวลาไปถวายปาตาหารและเราพูดคุยกันว่าพระเดินพิจารณาอาหารคุยกันไม่สํารวมตักอาหารรีบร้อนจะเป็นบาปกรรมไหมครับกรรมจากการนินทาพระเป็นอย่างไรครับก็ <c oughs> มันก็มันก็ทำให้เรา เสียเวลาไปแปล่าๆททนที่เราจะมาะวิภาควิจารณ์ตัวเราเราก็โมแต่ไปวิภาควิจารณ์คนอื่นเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมาพัฒนาตัวเราเองเสียสักทีัน้นอย่าไปวิภาควิจารณ์คนอื่นให้มันดูตัวเราดีกว่าดูความดีชั่วที่มีอยู่ในตัวเราแล้วพัฒนาตัวเราดีกว่าเยอเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันมีน้อยไปเรื่อยๆนะโมแต่ไปพิจารณาไป ไปวิาพากวิจารณ์คนอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ถือศีลห้าพอไหมครับหรือว่าต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มอีกครับต้องทําบุญด้วยทําบุญกับรักษาศีลห้าถ้าถือแต่ศีลห้านี้ก็ไม่ไปทุกขตินะไม่ไปอบายแต่ยังไปสวรรค์ไม่ได้ไปได้ค่ไปได้นค่าระดับมนุษย์ มนุษย์นี้คุณสมบัติของมนุษย์ก็คือการไม่ทำบาป ก, การรักษาศีล5้าข้อนี้ก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์อยู่แต่เรายังไปเป็นเทวดาไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นเทวดาเราต้องทำบุญทำทานเพิ่มอีกข้อหนึ่งรักษาศีล5้าแล้วก็ทำบุญทำทานทีนี้เราก็จะไปเป็นเทวดาถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องรักษาศีลแปดแล้วนั่งสมาธิถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือ จะจะเจริญปัญญาให้เห็นตยรักเห็นนัลยะสัตสีแล้วปล่อยวางตัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้เราก็จะไปนิพพานกันกับเรียนพระอาจารย์ตอนกำลังนั่งสมาธิเพลินๆมีเสียงเหมือนตัวอะไรวิ่งมาชนประตูอย่างแรงโยมมั่นใจว่าไม่มีสัตว์วิ่งชนแน่นอนอยากถามว่าคืออะไรครับ จะ่าไปสนใจเลยมันคืออะไรก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พอเพราะเราก็ไม่รู้อยู่ดีทีนี่เราจะไปรู้มันทําไมรู้ตามความเป็นจริงของมันดีกว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่ต้องไปสนใจเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้คนดูเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ประมาณพันห้าร้อยกว่าคนนะครับทุกช่องอทาง ยังเหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีก็ถ้ามีคำถามก็ถามไปได้เรื่อยๆไ่เป็นไรเพิ่งเข้ามาดูนะครับเวลาดิฉันนั่งสมาธิทำไมมีอาการห่างมากๆเลยครับก็เพราะว่าเรากินอิ่มเกินไปพอนั่งเฉยๆมันไม่มีอะไรให้คิดมันก็เลยทำให้ง่วงขึ้นมา มีคนในครอบครัวมีความทุกข์ความกังวลเพราะมีคนทักว่าเจ้ากรรมในเวรติดตามคอยทําให้เขาไม่มีความสุขครับเลยขอธรรมะพระอาจารย์ขจัดพุกครับความทุกขค์ความกังวลของเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งต่างๆดีอยากให้เราแค้าคาดปลอดภัยอยากให้เราไม่มีปัญหาอะไรพอมีใครมาทักหน่อยมันก็ทาให้เราไม่มั่นใจใช่ล่ะที่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ เป็นที่คนคนทักแบบกมนก็จะพูดอะไรมันไม่ได้มาทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่เขาทักมันเกิดขึ้นเพีย ง, งแต่ว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะสามารถที่จะอาศัยพึ่งพาให้ความสุขกองเราไปได้ตลอดเพราเราต้องมองโลกด้วยปัญญาแล้วเราจะเราจะไม่ทุกข์ตอนจะไม่ขงมังวลเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราว มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเพ้นเราพร้อมทําตัวพร้อมพร้อมที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ความโกรวนก็จะไม่มีการที่มีอายุมากนี่ถือว่ามีบุญมากหรือมีกรรมมากครับอาจารย์ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้ามีอายุมากแนละ้วใช้เวลาใช้เวลาของการมีอายุนี้ด้วยการทําบุญมันก็เป็นบุญนะ ถ้าใช้ใช้เวลาด้วยการทำบาปมันก็เป็นคำไม่เคยนั่งสมาธิครับควรเริ่มอย่างไรครับเริ่มด้วยสติพยายามฝึกสติก่อนพยายามใช้คำบริกรรมพุโทโธไปท่องพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีพุโทโธอยู่ในใจไปก่อน แล้วพอเวลาเรามีเวลานั่งว่างเราก็นั่งหลับตาจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งผ้าพเพียบก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจแล้วก็ให้เราบริกรรมพุทโธไปภายในใจอย่าให้ใจเราไปคิดอะไรอันนี้ก็คือการนั่งสมาธินีแค่นี้นะ่ะนั่งสมาธิได้ชั่วโมงครึ่งแล้วลมหายใจเริ่มเบาลงเหมือนไม่หายใจ ตัวนิ่งไม่ขยับอยู่นิ่งๆเป็นสภาวะทำอะไรครับอย่างที่ <ผม S 2> บอกอย่าไปสนใจมันเป็นอะไรเลยดูที่ว่ามันเนี่งหรือไม่เนี่งสงบหรือไม่สงบมีความสุขหรือไม่ท่านอะไรก็พอเรานั่งเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบถ้ามันนิ่งมันสงบก็มีความสุข <S <S ก็ถือว่าเราได้ได้ผลจากการนั่งแนละ้วผมปฏิบัติดูดจิต จนวันหนึ่งน้ำตาไหลจะเรียกว่าร้องไห้ก็ได้ครับขนลุกเกิดปิติน้ำตาซึมอยู่สามวันหลังจากวันนั้นมามีความรู้สึกว่าจิตนิ่งเฉยบางครั้งลืมคิดความฟุ้งซ่านไม่มีเลยครับยอดีเลยอยากรบกวนสอบถามว่าทุกคนมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ไหมครับมานึกถึงทางโลกเราจะมีลิมิตความสามารถในการเรียนรู้เช่น เรียนบางคนชอบวาดรูปเก่งวาดรูปแต่ทำํำคานวณจะเรียนไม่รู้เรื่องไม่เก่งเลยสงสัยว่าทางธรรมจะเป็นแบบนี้ไหมสงสัยว่าถ้าเราพยายามทางธรรมแล้วแต่ก็ไม่ได้จนสุดทางครับท่านผู้ พ, พิจารณาบอกถ้าเราพยายามทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้กันเพียงแต่ว่าจะช้าและเร็วต่างกันบางคนก็หลุดพ้นภายในเจวันบางคนก็หลุดพ้นภายในเจ็ดเดือน บางคนก็หลุดพ้นภายในเจ็ดปีบางคนก็เจ็ดชาติมันนับแต่ความสามารถของผู้คู่ปฏิบัติว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงไรมีความเพียรมากน้อยเพียงไรแต่ไม่มีไม่มีการปิดโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นถ้าสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกประการคือการจเจริญมากเช่นทานศีลภาวนานี้ถ้าทําได้เต็มที่ ก็จะต้องได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่จะช้าเลือเร็วเท่านั้นยากง่ายนะที่จะต่างกันสวดมนต์ที่บ้านจุดเทียนอย่างเดียวไม่ได้จุดธูปได้ไหมครับจุดแต่เทียนอย่างเดียวมาหลายปีแล้วครับไม่ต้องจุดอะไรเลยก็ได้สวนมันก็เป็นการภาวนาเป็นการฝึกสมาธิไม่ต้องจุดเทียนไม่ต้องจุดธูป คุณอารยาบอกว่าวันนี้ฟังแล้วเหมือนได้ปล่อ ย, อยความทุกข์กายทุกใจได้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอาจารย์เพื่อดีวันนี้เราพูดถึงความทุกข์โดยตรงเลยนะความเครียดการทําบุญโดยการบริจาคเงินทุกวันแต่จำนวนเงินน้อยกับการทําบุญครั้งเดียวแต่เงินมากๆได้บุญต่างกันไหมครับบุญได้ต่างกันแต่นืสัยอาจจะต่างกัน นสแบบทำุทุกวันมันก็จะเป็นนิสัยที่เราจะทำอยู่เรื่อยๆสรือนิสัสยที่ทำครั้งเดียวมันก็อาจจะเป็นนิสัยนานๆจะทำทุกครั้งแต่ถ้าเป็นจำนวนเงินเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันถ้าเราเห็นแสงสว่างในธรรมะแล้วตั้งใจมุ่งไปสู่เส้นทางธรรมะโดยที่คนในครอบครัวไม่เห็นเหมือนเราอยากสนุกกับเรื่องกิเลสทั่วๆไปอยู่ แบบนี้เราควรปล่อยเป็นเรื่องเวรกรรมของเขาใช่ไหมครับก็าทางใครทางมันไงการสมาทานศีลควรจะทําทุกวันหรือสมาทานครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจรักษาถ้าวันไหนศีลข้อนึงขาดก็มา ส, าสมาทานข้อนั้นใหม่ปุ้ยถือศีลห้าเป็นคืออยู่ทุกวันสมาทานทุกเช้าแต่เพิ่งได้ยินมาว่าไม่ถูกครับ การสมาทานก็ ค, คือความตั้งใจคือเจตนาเจตนาว่าเราจะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วเราก็รักษาไปที่การการจะเจตนามันก็มีกําหนดเวลาก็ได้ไม่มีกําหนดเวลาก็ได้บางคนมันจะรักษาศีลไปตลอดชีวิตก็ผลเดียวก็เสร็จแต่บางคนบอกขอจะรักษาแค่สาวันนี้อ่า ไปรักษาแค่สาวันไปพอคราวหน้าอยากจะรักษาใหม่ก็ต้องตั้งเจตนาใหม่เวลาทำบุญแล้วพระให้ธรรมะให้พรตัวเราฟังแล้วเกิดน้ำตาคลอแบบนี้แสดงว่าใจเกิดปิติเล็กๆใช่ไหมครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ หาเราให้เงินพิเศษกับคนที่บริการส่งอาหารให้กับเราถือว่าเราได้บุญจากการให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็เป็นการทําบุญเพราะเขาอันนี้ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนอะไรเป็นการให้ด้วยความความความเมตตาเจตนาด้วยความกรุณาอยากจะช่วยเขาให้ลดความทุกข์น้อยลงไปถ้าหนูคิดว่าตัวหนูเองกลับไม่ทุกข์ เหมือนปล่อยวางได้ไม่ทุกข์แต่ถ้าคิดถึงว่าลูกตายแต่กลับเป็นทุกข์เหมือนจิตขัดกันแบบนี้เป็นความคิดหลอกว่าเราปล่อยวางตัวเองได้ชใช่ไหมครับคือเราไม่ได้คิดทั้งสองอย่างเป็นคนเราโจรคนนึตัวเราก็โจรหนึ่งตัวลูกเราก็ยังโจรเราพิจารณาแต่ตัวเราว่าเราสามารถยอมรับความตายได้แต่เราไม่ได้พิจารณาว่าลูกเราก็ต้องตายเหมือนเราเหมือนกัน เราก็ยังยอมรับความตายของลูกไม่ได้เพรลูกตายเราก็จะทุกข์แต่เวลาเราตายเราไม่ทุกข์มันเป็นคนคนละโจทย์กันดันั้นพระเจ้าบอกว่าการพิจารณาร่างกายเะาต้งพิจารณาทุกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะร่างกายของเราเพียงคนเดียวเราต้องพิจารณาร่างกายของเราและร่างกายของคนทุกๆคนที่มีอยู่ในโลกนี้เลยว่าเหมือนกันหมดเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ต่อไปใครตายเราก็จะถ้าเรารับเราก็จะรับได้หมดหนูปฏิบัติกรรมฐ า, านแล้วติดนิ่งติดจ้องแล้วเม่อแก้ยังไงครับคือการติดนิ่งนี่ก็ดีนะติดจ้องก็ดีอยู่เพราะเวลาปฏิบัติมันก็ต้องจ้องเช่นเราดูลมหายใจก็ค่อยจ้องดูไปเรื่อยๆ แต่มือนี้แสดงว่าไม่มีสติแะอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าถ้าเน่งด้วยสติจ้องด้วยสตินี้ดีเพราะว่าการจิตจิตจะเน่งได้จิตสงบได้ก็อยู่ที่การจ้องจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือจดจ่ออยู่กับคําบริกรรมพุทโธอย่างนี้เป็นต้น ลูกผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจหนักเมื่อสองปีที่ผ่านมาเหตุแรกคุณแม่เสียปีต่อมาบ้านเกิดเหตุไฟไหมใช้บริการพุทโธตามคําสอนพระอาจารย์ช่วยให้ครองสติดได้มากปัจจุบันจิตอ่อนแอขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับเฉพาะเราปฏิบัติน้อยลง<ม>ก็กลับมาเจริญสติบริกรรพุทโธต่อไปนั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็กาพิจารณาอันยิ่จยังวัดทุกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเรา และใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาอาจารย์ครับตอนนี้คนดูยิ่งเยอะอะไรกับพันหกร้อยแล้วครับปัจจุบันคุณหมออยูเองคนเดียวเลยครับมันมันมีผมจะเห็นจากทุกช่องทางครับอาจารย์ปัจจุบันนี้พันหกร้อยอยู่ครับอดีก็เท่าเดิมนะเท่าจะระงับความโกรธยังไงดีครับบางทีหลุดไปเลยครับ ถ้ามันเกิดแล้วก็พยายามใช้พุโทโธพุโทโธบริกรรมไปสวดมนต์ไปก็ได้ <c oughs> อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ ถ, ถ้าต้องการป้องกันไม่ให้มันโกรธเราก็ต้องระงับเหตุที่ทําสร้า ง, งเหตุที่มาทําให้เราโกรธเหตุที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากต่างๆเราอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธขึ้นมาได้ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่โกรธเรายินดีตามมีตามเกิดไป ทาคุณหมอพอตอนพยายามผักดันอะไรของคุณหมอ่าผักไปแต่อ ย, ยา่าไปอยากได้ไม่ได้คุณหมอก็จะไม่โกรธแต่ถ้าอย่ากเราถ้าผักดันด้วยความอยากพอไม่ได้มันก็จะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมผมยังพยายามใช้วิธีที่ไม่อยากอ ย, กอยู่ครับพระอาจารย์ก็คือหน้าทำตามหน้าที่ไปทำตามหน้าที่ไปให้ดีที่สุด เหมคุณหมอรักษาคนไข้คุณหมอก็รักษาให้ดีที่สุดส่วนคนไข้จะหายไม่หายก็มันก็เป็นเรื่องของคนไข้เขาแล้วอยาอย่าไม่อยากให้เขาหายเพราะถ้เขาไม่หายขึ้นมาเราก็เราก็อาจจะเสียใจก็ได้ครับเป็นคนนอนไม่หลับครับสมองตื่นคิดน้นนี่ไปเรื่อยๆใช้พุโทโธช่วยไปก็ยังหลับยากควรทําอย่างไรครับก็ใช้พุทโทน้อยไปสิ ต้องพูดโทไปเรื่อยๆกว่าจะหลับอย่าหยุดนะไม่ใช่พูดโธรสองสามคำแล้วมันจะหลับทันทีมไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะหลับได้ถ้าเราใช้พูดโธเราก็จะคิดเราก็จะไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สักพักเราก็จะหลับได้คุณแม่อยากให้ลูกชายบวชเพราะว่าลูกติดเหล้าติดยามากไม่เป็นอันทํางานเลยครับจะต้องทําอย่างไรครับ ก็ต้องถามลูกชายเขาเลยว่ายินดีจะบวชไหมการบวชนี้เขาต้องบวช ด, ด้วยความยินดีไม่ใช่บวช ด, ด้วยถกการถูกบังคับให้บวชการถือศีลแปดส่งเสริมให้ปฏิบัติภาวนาได้ดีกว่าการถือศีลห้าใช่ไหมครับใช่เพราะว่าศีลห้ายังไม่ห้ามกิจกรรมอย่างอื่นที่ศีลแปดห้ามอยู่ดังั้นการทการการรักษาศีลห้าก็จะมีเวลาให้น้อยก็ ให้เวลากับการปฏิบัติได้น้อยกว่าทำการรักษาศีลแปดลูกภาวนาตั้งแต่อายุสิบแปดมีช่วงสองปีลูกได้สัมผัสสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพออายุสี่สิบเก้าปีสัมผัสจิตแยกธาตุขันสามครั้งลูกก็ยังภาวนาอยู่ต่อเนื่องสภาวะธรรมที่ลูกได้สัมผัสลูกมีความคิดว่าเป็นไตรลักษ์คิดแบบนี้ถูกไหมครับก็ต้อพิสูจน์ดูว่า เราทุกกับมันหรือเปล่าคือเราทุกกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่าขนาดนี้ก็คือเราทุกกับร่างกายหรือเปล่าทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายของร่างกายหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเราแยกสภาวะธรรมได้จริงหรือไม่เราแยกธาตุขันได้จริงหรือไม่เราก็เราก็ธาตุขันเป็นคนละคนกันเราเป็นคนใช้ร่างกายแต่ร่างกาย ร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่เจ็บตายแต่เราไม่ได้ไปแก่เจ็บตายกับร่างกายเราจะไปทุกข์กับร่างกายทําไมอันนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์เดิมเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการเห็นจิตคิดพร้อมๆกันสองถึงสามเรื่องควรแก้ไขยอย่างไรครับเวลานั่งต้องมีอะไรถูกใจไว้ถ้าอยู่กับพุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธอย่าไปตามดูจิตอย่าไปตามดูเรื่องที่จิตกําลังคิดอยู่ ให้กลับมาที่พุโทโธถ้าดูลงก็กลับมาดูที่ลงอย่าไปดูที่ความคิดการเจริญสติต่อเนื่องสวดมนต์ทาสมาธิและรักษาศีลต่อเนื่องบางครั้งเห็นร่างกายตนเองหรือร่างกายสามีแบบแห้งบ้างเน่าบ้างหรือหนังหลุดลอกออกไปมีแต่เส้นเลือดไขมันพิจารณาเป็นอสุภะใช่ไหมครับใช่จะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็เรียกวา่าอสุภะ การเห็นอสุภาพมีไว้เพื่อให้เรากาจัดกามราคาความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับผู้นั้นผู้นี้ถ้าเราเจอเพื่อนบ้านที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบยิ่งยอมยิ่งอ่อนน้อมยิ่งใจดีเขากลับยิ่งได้ใจล้ำเส้นเราอย่างนี้เราควรมีหลักคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ดีครับก็ถ้าเรา เราก็ต้องมีขอมีเขตของความเมตตาของเราถ้ามันเกินเขตนั้นไปแล้วเราก็ต้องใช้อุเบกขาคือว่างเฉยแทนถ้าเราคิดว่าเรายังให้เขาได้อยู่ก็ให้เขาไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราให้เขาไม่ได้แล้วเราก็หยุดแต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะเอาเปรียบเรานี่ยเราเป็นเรื่องของเขาไปแต่เราก็ต้องรักษาสิทธิ์รักษาผลประโยชน์ของเรา ในเวลาที่เจอปัญหามาหลายทางพยายามตัดกังวลไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราแต่ยังมีความคิดวนไปวนมาทิ้งความคิดไม่ได้ควรกำหนดจิตหรือปฏิบัติเจริญสติอย่างไรครับก็หยุดความคิดก่อนต้องหยุดความคิดก่อนต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปก่อนนั่งสมาธิไปก่อนให้จิตนิ่งสงบแล้วก็มาคิดทางปัญญาแล้วอาจจะปล่อยวางได้ต่อไป บ้านเมืองเรามีต่างชาติมาแทรกซึมสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเมืองเช่นจีนเทาเราจะทําอย่างไรให้ใจเป็นสุขไม่ถุกครับอย่าไปมองแต่คนต่างชาติเลยคนในบ้านเราก็สร้าปัญหาเยอะแยะไปหมดคือตามได้ถ้าเป็นมนุษย์มันเหมือนกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกันมันมีปัญหามามันไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเราไปคิดเรื่องของคนต่างชาติมันจะทําให้เราแยกอต่างแยกกันไม่มีความเมตตากัน เราควรจะมองว่าทุกคนเหมือนกันหมดดีช่วยคนคนเรามีอยู่ทุกทุกชกชาติทุกภาษาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือคอยกำกาจัดคอยกำหลับคนที่คนที่ไม่ดีเท่านั้นเเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ไม่ก็ตามหรือจะเป็นคนในชาติเดียวกันก็ตามเราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในสังคมที่มีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไป เราอยากให้ทุกคนดีไปหมดเราก็จะทุกข์มันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้โลกมนุษย์ที่ทุกข์และเครียดทุกวันนี้เพราะความอยากใช่ไหมครับใช่มันเป็นบทสรุปเลยนะครับอาจารย์เอออยู <laughs> ่ความอยากได้ความความเครก็จะหายไปหมดเลยครับผม นั่งภาวนาดูลมแล้วสักพักเหมือนมีตัวรับรู้สองตัวตัวหนึ่งคือตัวที่แวบไปคิดกับอีกตัวคือตัวที่คอยดูลมบางครั้งลมหายก็ดูความว่างอยากทราบสอบถามพระอาจารย์ว่าให้ดูที่ลมกับความว่างนั้นต่อไปถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่างไปถ้ามันว่างจริงๆมันเกิดมันก็จะไม่มีความคิดถ้ามีความคิดก็แสดงว่ามันยังไม่ว่างจิตยังยังเิื่อยู่ เราก็อย่าไปดูความคิดแล้วเราก็หยุดหยุดคิดด้วยการมีสติกำหนดมันให้มันหยุดคิดถ้าถึงตอนนั้นเราคนจะมีสติที่จะสามารถจั่งให้มันคิดอยุดให้มันหยุดคิดได้คาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้านั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธจนตัวเบากายเบาเหมือนล่มอ่อนเหมือนอันนี้คนไทยถามซ้ำครับอาจารย์อย่างนั้น ครบแล้วครับรอาจารย์ผมรวมตอนนี้ที่ดูปัจจุบันเนี่ยนะครับหนึ่งพันหร้อยยี่สิบเก้าคนครับพระอาจารย์ครับรอาจารย์ตอบไปได้ร้อยสามคำถามครับพี่จุกจดเอาไว้ครับรอาจารย์ครับก็ดีมากที่มีคนดูตลอดจากล่างถึงสุดท้ายนี่ยังมีต้องพันหกแสดงว่าทุกคนมีความสนใจทุกคนมีความเครียดครับพี่อยากจะรู้วิธีแก้ความเครียดแล้วทํำยังไง ก็อย่างที่คําถามสุดท้ายที่เขาส่งมาว่าสรุปว่าคือความขี้ของเราเกิดจากความอยากใได้สรุปเลยได้รัอาจาเออที่เราต้องมาหยุดความอยากกันแล้วเครื่องมือที่จะหยุดความอยากได้ก็คือทานศีลภาวนานีโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรและจะไม่มีความทุกข์ความเครียดอยู่ในใจต่อไป เป็นั้งหัวเราอย่างวนเราได้ตลอดเวลาเนี่ยครับอาจารย์พระอาจารย์ป่วยอย่างหัวเราะอยู่สดใสอยู่เลยครับอาจารย์ครับมันหายแล้ววันนี้ทําป่ว ย, ย แ, ว <c oughs> แต่ใจมันก็ไม่ทุกเนี่ยใจมันเคยซ้อมันผ่านมาหลายรอบแล้วไอ้ไข้หวันนย่เงี้ยมันเคยผ่านมาอยู่เรื่อยเรยครับเมื่อเวลาแล้วใช่ไหมใช่มีอะไรไหมครับจะจะเรียนพระอาจารย์ว่า อ, จอาจารย์คระอาจารย์และท่านผู้ชมว่าครั้งหน้าจะขอรบกวนเป็นวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นจะกลับเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับอาจารย์ครับโอเคการฉนนาธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาเสีงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุาขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไป เพียงเท่านี้ถ้าแล้วเราก็าจะได้มาพบกันอีกในวันเสาร์หน้าตามที่คุณหมอได้ได้นัดไวเราจะเลยพรขอบคุณพระอาจารย์ครับ